ถ้เกิดจากความคิดที่เราได้รู้เรื่องราวต่างๆจากสิ่งภายนอกจากคนรอบตัวเราทำให้ใจเราเนี่ยพลอยเครียดไปด้วยพลอยทุกข์ไปด้วยความเครียดเข้ามาสู่จิตนะ่ความเครียดคือความผิดปกติของจิตจิตที่เป็นปกตินั้นมันก็สบายๆดีอยู่นะมันจะไม่เครียดแต่ว่ามีอารมณ์มากระทบปับ๊บ